สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคํากฎที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราเองนั้นจะต้องอยู่ติดกับขแขนงครับเพราะเจ้นาของพระเจ้าก็ยังอยู่ในพระธรรมย่อนบทที่15นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่16ในวันนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นที่4ครับเรื่องของการติดการติดอยู่บนถาวังุ่นครับ ขนงต้องติดอยู่บนเถาองุนตลอดเวลาหรือใช้คาว่าเสมอความสัมพันธ์ระหว่างขนงกับต้นอังุนนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงพันติดอยู่โดยบังเอิญหรือจะติดไม่ติดก็ได้หรือติดติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับพอเจะนะพระเจ้าสอนเราว่าขนงนั้นจะต้องติดอยู่กับเถาชั้นใด เราจะต้องเข้าชนิดอยู่ในพระเยซูคริสต์ที่เช่นเดียวกันฉั น, นั้นพี่น้องครับต้องติดบนต้นตลอดเวลาและต้องติดอย่างสนิดไม่ใช่นานานมาติดครั้งหนึ่งครับเมื่อนานานมาติดครั้งหนึ่งผลที่เกิดออกมาก็ไม่สมบูรณ์ครับคริสเตียนแบบนี้จึงเป็นคริสเตียนที่ยากจนอ่อนแอยากจนอะไรครับยากจนความเชื่อครับยากจนความรักและอ่อนแออะไรครับอ่อนแอในเรื่องของจิตวิ ญ, ญญาณแอในเรื่องของการปฏิบัติ และผลที่เกิดจากคนคนนี้ก็จะกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวครับเป็นแขนงที่ไม่ดีซึ่งเป็นผู้สลายตัวเองในหมู่คนที่ไม่เชื่อหมายความว่าครับในสุดแล้วชีวิตของเขานั้นก็จะซึมซับโลกเข้ามาจนกระทั่งเขากลายเป็นโลกไปกลายเป็นโลกนะครับไม่ใช่โรคภัยใข้เจ็บนะครับกลายเป็นของโลกไปพี่น้องครับนั่นคือการเสื่อมสลาย ตัวเองในเข้าไปในหมู่คนที่ไม่เชื่อครับพระธรรมเยเรมีบทที่สองข้อ21นั้นเป็นคำค้ำครวนนะครับเป็นคำค้ำครวนเป็นคาดูเหมือนว่าจะต่อว่านิดๆประชดนิดๆเป็นคำถามครับว่าทำไมเจ้าเสื่อมสามลงจนกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวไปได้พี่น้องครับพระเจ้ากำลังถามพวกเราทั้งหลายทุกคนว่าทำไมบางคนในพวกเจ้านั้น เสื่อม3ามลงจนกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวไปได้คำตอบก็คือว่าเขาไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเถาอางุ่นตลอดเวลาการติดสนิทของเขานั้นเป็นการติดสนิทแบบดับดั บ, ดบเปิดเปิดติดติ ด, ตดบางครั้งก็พันกันเฉยๆครับไม่ได้เข้าไปติดบางครั้งก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง พี่น้องครับต้องสนิท ต, ต้องติดสนิทและติดสนิท ต, ตลอดเวลาครับนานๆติดสนิทไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวครับพี่น้องพอมาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะขออนุญาตขยายความครับว่าในชีวิตของเราผลที่เราเกิดนั้นเป็นอะไรบ้างในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ถ้าเราไข้ควรวนดีๆพี่น้องก็จะพบความจริงอย่างหนึ่งครับ ว่าการที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นแขนงนั้นจะต้องติดอยู่กับเถานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดครับหากชีวิตของเรานั้นไม่ได้ติดเราก็ไม่สามารถไปต่อได้ครับชีวิตของเราก็จะไม่ได้มีชีวิตจริงๆครับไม่ได้มีชีวิตที่ได้รับน้ําหล่อเลี้ยงจากเถาวงลุ่นพระเยซูเป็นน้ำแห่งชีวิตพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซู เป็นผู้ที่ประทานชีวิตขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะต้องสแสวงหาเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราขาดการเข้าสนิทกับพระเยซูตลอดเวลาชีวิตของเราก็จะไม่เกิดผลครับและในวันพรุ่งนี้เราก็จะดูต่อว่าชีวิตที่ไม่เกิดผลจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ในท่าเสียดายก็คือว่าเราเกิดมามีชีวิตเดียวเราเองนั้น มีความพยายามบ้างไหมครับที่จะติดสนิทอยู่กับเถ้าองุ่นตลอดเวลาครับยาติดติดดับๆอบยาพันกันเฉยเฉยเกี่ยวกันไว้เฉยเฉยพี่น้องครับต้องเข้าไปและเข้าสนิทครับเข้าไปให้ซึมลึกถึงน้ําผู้แห่งชีวิตถึงพระพรของพระเจ้าที่เตรียมให้กับเราทําให้แผนการในชีวิตของเราที่พระเจ้ามีนั้นสําเร็จครับพระเจ้าตั้งไว้ จะเกิดผลอย่างแน่นอนพี่น้องครับชีวิตของเราต้องเกิดผลมากครับการที่เราจะเกิดผลมากและระวังไม่ให้เรากลายเป็นองุ่นเปรี้ยวครับเราก็ต้องเข้าสนิทครับอย่าลืมครับเข้าสนิทสําคัญมากเลยครับเพราะว่าอะไรครับเข้าสนิทนั้นจะทําให้เราได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะทําให้เราเรียกว่าแผนงานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นสําเร็จพี่น้องครับนั่นคือการถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดที่เราพึงจะมีได้เป็นได้เพื่อพระองค์ ขอยพระเกียรติและพสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวขอพระเจ้าอวยพ ร, พรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน